พาลูปดอกหรือ ป, ปาเป้าก็าคือว่าเราพึ่งปาเป้าครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะปาไปถูกเป้านี่มันก็น้อยนะปาไป10ดอกอาจจะโดนเป้าสักดอกอันนี้ทำยังไงเนี่ยถึงจะปาให้ถูกเป้าได้มากขึ้นก็ต้องปาปบ่อยๆนะสมมติว่าปา10ถูก1ถ้าเราปาร้อยนะก็จะถูก1ิ ถ้าเราปาพันนะก็จะถูกร้อยนะมันมีวิธีเดียวนะถ้าว่าเราต้องการปาให้ถูกเป้าได้บ่อยๆเยอะๆมันก็ต้องทำบ่อยๆทำซ้าๆปา10ทถูก1นะปาพันถูกรนะ้ออันนี้หมายความว่าถ้าฝีมือไม่ได้พัฒนานะแต่ถ้าฝีมือมันพัฒนาเนี่ย ทีแรกปลา10ถูก1นะ่ะปาร้อยอาจจะไม่ใช่ถูก10นะอาจจะถูกสักาปลาพันอาจจะไม่ใช่ถูกร้อยนะแต่อาจจะถูก200นะถ้าอยากให้ปลาถูกเป้าบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีวิธีใดนะที่จะดีไปกว่าทำเยอะๆทำมากๆใการฝึกจิตก็เหมือนกันนะ เราต้องการฝึกให้มีความรู้สึกตัวคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันไม่เผลอปล่อยใจลอยไปกับความคิดหรืออารมณ์ที่เราเรียกว่าหลงมันก็มักจะเพ่งเพ่งที่เท้าเพ่งที่ พ้องเพ่งที่มือเพ่งที่ลมหายใจในการที่จะวางใจเป็นกลางๆไม่เผลอแล้วก็ไม่เพง่งเพื่อได้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็ยากน ะ, ะเดินไปเดินจงกลมไปสัก1ิรอบอาจจะมีแค่รอบสองรอบนะที่วางใจได้ถูกเกิดความรู้สึกตัว คือวางใจเป็นกลางๆนะไม่เผลอคือหลงแล้วก็ไม่เพ่งในเพ่งนี่มันก็อาจจะเห็นชัดนะแต่มันเป็นการเห็นชัดเฉพาะจุดเอาจิตไปเพ่งที่เท้ามันก็รู้เฉพาะที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่มือมันก็รู้เฉพาะที่มือมันไม่ได้เห็นรวมๆหรือเกิดความสึกตัวทั่วพร้อม มันต้องวางใจพ อ, พอดีพอดีคือไม่ถึงกับหย่อนจนเผลอแล้วก็ไม่ไม่เข้มไม่เครียดจนกลายเป็นเพ่งไปไม่ไมเนี่ยทำไปสักสิบนะก็ จ, จะถูกหนึ่งะก็คือรู้สึกตัวแค่หนึ่งในก้าสิบปรเซ็นต์เนี่ยมันคือหลงคือเผลอหรือไม่ก็เพ่ง 10% เนี่ยแค่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องท้อนะถ้าเราอยากจะรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยทายัางไงนะก็ต้องทำเยอะๆนาทีนึงอาจจะรู้สึกตัวแค่ 5-6 วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆหนะึ่งชั่วโมง ไอ้ความสึกตัวก็จะเพิ่มเป็นห้าหนาทีงั้นถ้าเราทำเยอะสองชั่วโมงความสึกตัวมันจะเพิ่มเป็นรวมแล้วก็จะเป็นสิบนาทีสิบสองนาทีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางครจะนึกว่าโอ๊ยทำไปทำร้อยได้แค่สิบศูนย์ป่าไปเก้าสิบ มันเป็นความล่มเหลวไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่ความล่มเหลวไม่ใช่ความศูนย์เปล่าอย่าไปดูตรงที่ว่ามันหลงไปเท่าไหร่แต่ให้มันดูตรงที่ว่ามันรู้สึกตัวนะได้เท่าไหร่ทำา10ได้หนึ่งทำร้อยได้10เนี่ยไอสนใจตรงนี้ดีกว่านะคือตรงที่มันได้หนึ่งได้10แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไป เ, อ ย, เยอะ ความสึกตัวเนี่ยพอมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นที่ขึ้นถีขึ้นเพราะเราทําไปเยอะเยะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มมีความสึกตัวมากขึ้นต่อไปมันไม่ใช่แค่ว่าทํา10รู้สึกตัวหนึ่งมันจะกลายไปว่าทํา10แล้วรู้สึกตัว2แล้วก็3 อย่างที่หลวงพ่อเทียนนั่นบอกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันมันคิดไปสักเก้าอร์ซรู้สึกตัวแค่แค่สบเอร์ซก็อย่าไปท้อท่านบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะอันนี้หมายความหมายความว่าเราต้องทำบ่อยๆด้วยนะทำบ่อยๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็ รู้ทันความคิดแค่ 10% ต่อไปมันก็รู้ทันมากขึ้นเรื่อยๆเป็น 20% 30% ิอเามรนก็หมือนปลาลูกดอกนะปลาลูกดอกที่แรกก็ปลา1 0ถูก1นะปลาร0 0ยถูกปลาพ0 0ถูกรแต่พอทำบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ปลาแค่1้อยครั้งหรือปลาแค่พันครั้งเดือแปปลาไปสอ0ันครั้งปลาเป็นหมื่นครั้ง มันไม่ใช่แค่ถูกพันครั้งนะมันจะถูกนะอาจจะ2องพันครั้งก็ได้แล้วก็เพิ่มเป็นสามพันครั้งเพราะประสบการณ์มากขึ้นการปลาถูกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามมันจะัยยางนะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ตามชั่วโมงบินไอความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะรู้สึกตัวเนี่ยใหม่ๆหลายคนก็รู้สึกมันคล้าไม่เจอนะความรู้สึกตัวเป็นยังไง ที่จริงมันเกิดแล้วนะแต่ว่ามันเกิดแค่แว๊บเดียวอย่างที่ว่าทำสิได้หนึ่งเกาคือหลงถ้าไม่เผลอก็เพ่งอีก 10% คือรู้สึกตัวมันไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่านะบางคนอาจจะไม่ถึงกับถึงไม่ถึงกับอาจจะประเภทว่าทำา10อาจจะได้ศูนยะ์จุดาะทำร้อยได้ห้า ทำพันได้50ไม่ถึงร0อยนะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ต้องท้อถอยเพราะถ้าทำเยอะๆทำเยอะๆความสึกตัวมันจะไม่ใช่แค่50นะมันจะเพิ่มเป็นร0 0ยเป็น200 300ย0 0รอี้นี่พูดแบบใช้ตัวเลขให้มันเห็นชัดๆเพราะนั้นใหม่ๆเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาเอาปริมาณเข้าว่านะี เดีย๋ยวเพิ่งไปดูเอาเยวเพิ่งไปดูคุณภาพนะบางคนนี่จะเอาคุณภาพถ้าวัดหรือไปมองที่คุณภาพนี่มันจะทอนะทําิบนี่ได้แค่นหนึ่งศูนย์เปล่าไปเกํา1 0ร้อยได้แค่สิบศูนย์เปล่าไปเกสบเนี่ยถ้ามองนี่คุณภาพนี่ก็ถือว่าแย่นะแต่ถ้ามองว่ามันมีการเพิ่มพูนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดกำลังใจแล้ใหม่ๆเนี่ยนะอย่าไปเอาเอาคุณภาพนะต้องเอาปริมาณทำเยอะๆทำบ่อยๆทำทั้งวันถึงแม้ว่ามันจะได้ผลหรือว่าตรงเป้าแค่5้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แล้วมันใช่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวนะ ในการรู้ซื่อๆกันเหมือนกันนะรู้ซื่อๆเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะมันจะไม่รู้ซื่อๆหรอกนะถ้าไม่ผักสายมันก็ไหลาตามพอมีความคิดเกิดขึ้นแทนที่จะรู้เห็นความคิดแบบรู้ซื่อๆหรือวางใจเป็นกลางมันก็จะไหลไปตามความคิดหรือไม่ก็ผักสกดข่มความคิด อารมณ์ก็เหมือนกันนะความหงุดหงิดความไม่พอใจถ้าไม่ไหลาตามอารมณ์ก็ไปกดข่มอารมณ์ผลักสายอารมณ์ 90% มันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้ฝึกใหม่หรืออาจจะ 95% บางคนอาจจะถึงกับ 100% เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยหลงจาก 100% ็ก็ลดเป็น 95% แล้วก็าสิแล้วก็ 80% เปอร์เซ็ต์ที่ความสึกตัวหรือว่าการรู้ซื่อซือมก็เพิ่มขึ้นนะเิลนิดเชนิดเชนิดในความสึกตัวหรือการรู้ซื่อซื่อจะมันเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเราทำ บ, บ่อยๆเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำ บ, บ่อยๆมันก็จะเริ่ม วางใจได้ถูกมากขึ้นวางใจผิดไป 90% แต่วางใจถูกส0มันก็ถือว่ามีความหมายนะวางใจผิดไป 95% วางใจถูกแค่ 5% ในหลอดงที่ปฏิบัตินั่นก็ยังไม่ถือว่าศูนย์เปล่านะ 95% ์มันหมดไปกับความหลง เผลอบ้างเพ่งบ้างหรือว่าผักใสมั่งไหลาตามบัง่งแต่ถ้าเราไม่ทอเนี่ยนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆปริมาณก็จะเพิ่มมากขึ้นนะความสึกตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการรู้ซื่อๆเนี่ยนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันไม่มีคำ ว, ว่าศูนย์เปล่านะการปฏิบัติเนี่ย ขอให้ทำเยอะๆนะไมาจะเป็นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะซึ่งเป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเราตั้งใจว่าเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าเวลาเร า, เราดาเนินชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเข้านอนเราก็จะปฏิบัติตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันอาบน้า กินข้าวทำกับข้าวไม่ว่าทำแล้วก็ตามแม้แต่เวลานั่งรถก็ไม่ได้อยู่นิ่งหนึ่งครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วกระดิกนิ้วเพื่อทำความสึกตัวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแม้เพียงแค่นิ้วที่เคลื่อนถ้าเราตั้งใจแบบนี้ในความสึกตัวก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อาจจะไม่เร็วไม่ใช่ว่าจะเห็นเห็นหน้าเห็นหลังภายในหนึ่งวันอาจจะใช้เวลา3 4วันแต่ว่ามันจะเห็นผลขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มวางใจได้ถูกมากขึ้นเรื่อยๆและการวางใจที่มันถูกที่ถูกทางคือวางใจพอดีพอดีเนี่ยพอมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็น ความชํชนานิชํานาญต่อไปเนี่ยความหลงก็จะน้อยลงมันจะเผลอน้อยลงมันจะเพ่งน้อยลงแต่มันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันไม่ผักใสหรือไหลาตามไปตามความคิดละอารมณ์อยู่บ่อยๆแต่ต่อไปมันก็จะรู้สื่อๆเห็นความคิดรู้ทันอารมณ์ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วบางทีนะพอมัน พอมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่บางทีเรานึกไม่ถึงเลยเข า, าจากปริมาณกลายเป็นคุณภาพเหมือนกับต้มน้ำเนี่ยนะเราก็ใหม่ๆเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง น้ำเพียงแต่ว่าเพิ่มอุณภูมิขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังยังมีไฟต้มน้ำอยู่เนี่ยอุณภูมิก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะ้ํ้ำมันเดือดน้ำกลายเป็นไอเลยหรือเหมือนกับเติมน้ำเนี่ยใส่โอคงใส่ถังที่แรกน้ำมันหยด ทีลอยหยดทีลอยหยดทีลอยหยดหยดจากป๊อก costs, ที่ลอยหยดทีลอยหยดทีลอยหยดมันดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนีแต่พอมันหยดมาแต่พอน้ํามันเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนเต็มถังเนี่ยพอน้ําอีกหยดหนึ่งตกหยดลงมานี่น้ํามันล้นเลยนะบางคนหลายคนนี่ก็พบว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ย ไอ้วันแรกสองวันแรกสาวันแรกหรือว่าอาทิตย์แรกนี่ดูมันไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ที่จริงมีนะแต่ว่าไม่ทันสังเกตแต่พอทําไปได้ถึงจุดหนึ่งพอวันที่แปวันที่เก้าหรือบางคนแค่วันที่สามเนี่ยมันเห็นเลยไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดมันไม่รู้ทันอารมณ์อย่างน่าสัจจานบางทีมันเห็นรูปเห็นนามไปเลย มันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพซึ่งเกิดจากการที่นะเติมเพิ่มปริมาณไปเยอะๆนะทำเยอะๆเพราะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าเนี่ยให้ให้ทำเยอะๆหรือว่าให้เน้นปริมาณไว้ก่อนเนี่ยมันมีความสำคัญที่จริงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ย ปริมาณสําคัญเสมอนะอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยมันต้องมีชั่วโมงบินเขาบอกชั่วโมงบินนี่มันก็ไม่ได้หมายถึงชั่วโมงในการบินอย่างเดียวหมายถึงชั่วโมงในการฝึกฝนด้วยเวลาเราเขียนกอไก่ขอไข่ตอนเป็นเด็กอนุบาล น, นีิโอเขียนไม่เป็นตัวเลยแต่พอเราเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆไม่ใช่แค่ร้อยครั้งบางทีพันครั้งเลยนะปรากฏว่า มันเขียนดีขึ้นตัว อ, อักษรนี่บรรจงสวยงามมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นตัวอย่างเดียวนะแต่สวยด้วยอันนี้เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพเพราะว่าได้เอาปริมาณใสเข้าไปเอาปริมาณเอาไว้ก่อนทำ บ, บ่อยๆทำเยอะๆเรียกเพิ่มชั่วโมงบินแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไอการภาวนาการฝึกจิตก็เหมือนกันนะ ตอนนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยเห็นความก้าวน้าเท่าไหร่มันมีแต่มันแค่ 1% นอร์ซต่อไปก็เพิ่มสเป็ซนต0และพอความสึกตัวมันเพิ่มขึ้นเป็น 50% 60% คราวนี้นี่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าความหลงมันร้อยลงแต่ก่อนเนี่ยมันตั้งท่าจะหลงอย่างเดียวเลยเดินจงกลมเนี่ยเดินไปไม่ถึง เดินไปถึงสุดทางเลยหลงใชแล้วเดินกลับมาอีกเดินไ่ถึงสุดทางหลงอีกแล้วแต่พอทำไปเรื่อยๆสักสองสาวันถ้าทำทุกวันทำทั้งวันนะพอถึงวันที่สามวันที่สี่หรือบางคนอาจจะนากนกว่านั้นเพราะว่า อ, อาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่องพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันจะรู้มากกว่าหลงแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการยื้อกันระหว่างหลงกับรู้บางทีจงกระทั่งบางทีงงเลยนะเอ้นี่เราหลงหรือรู้กันแน่นะเพราะมันเกิดขึ้นสลับกันเร็วมากอันนี้เราอยู่ในช่วงหัวเร็วหัวต่อแต่พอทําไปทําไปมันจะรู้มากกว่าหลงแล้วมันจะสะตั้นใจอันนี้พอรู้แล้วนะ รู้รู้ซื่อหรือรู้ทันความพิรู้ทันอารมณ์หรือรู้สึกตัวเนี่ยต่อไปมันจะเข้าใจนะคำว่าปล่อยเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่เข้าใจทำยังไงมันทำยากเหลือเกินมันยากเพราะว่าใจมันเอามัวแต่หลง แต่พอเริ่มมีความรู้สึกตัวมีสติรู้ทันความทิ่ลอารมณ์มันจะปล่อยเลยมันจะเข้าใจเลยนะครับว่าปล่อยเนี่ยปล่อยวางความที่ละอารมณ์แล้วเข้าใจเลยว่าเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะใจเนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่าจะเป็นอารมณ์รวมทั้งผัสสะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ด, ด้วยแล้วปล่อยวางสําคัญนะเพราะถ้าไม่ปล่อย วางเนี่ยมันจะพาไปสู่การปล่อยอีกแบบหนึ่งนะคือปล่อยใจมันมีคั่วสองัวนะปล่อยใจกับปล่อยวางปล่อยใจคือปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามอำนาจของอารมณ์ถ้าเราไม่รู้จักฝึกปล่อยวางนะมันก็คือการปล่อยใจไปตามอำนาจของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเกลียด ถ้าเราปล่อยวางเป็นเนี่ยเราจะเป็นนายเหนืออารมณ์แต่ถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นนายเรามันเกิดขึ้นทีไรมันพาจิตพาใจเราออกนอกรูนอกทางบังคับบงการความคิดและการกระทำรวมทั้งคําพูดด้วยเวลาโกรธนี่เห็นได้ชัดเลยนะคนคนที่ปล่อยใจไปตามความโกรธเนี่ยมันก็จะหลุดปาก ด่าไปว่าไปโดยไม่ทันยังคิดหรือบางทีว่าห้ามไม่ทันมารู้ตัวทีก็ว่าไปแล้วแล้วก็มาเสียใจหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แค่ความโกรธเดียวความเศร้าด้วยความโลภด้วยนะปล่อยใจไปตามหน้าความโลภแล้วถ้าหากว่า ปล่อยใจไปบ่อยๆเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะมีอำนาจคลองใจเรามากจนเหมือนกับว่ามาคลองจิตคลองใจเราเลยเจออะไรมากระทบนี้ไม่ได้ต้องดา่าต้องว่าต้องโวยวายหรือพอเจอสิ่งเย้ายวนไม่ได้นะเป็นต้องเข้าหาบางทีเลิกไม่ได้อย่างเช่นคนติดยาเนี่ยคนติดการพนันเนี่ยมันห้ามไม่ได้เลยนะ มันคลองจิตคลองใจมันมีอำนาจเหนือใจเนี่ยเออความอยากเนี่ยซึ่งก็คือความหลงชนิดหนึ่งมันเกิดอาการที่เรียกว่าผีพันนันเข้าสิงแต่มันไม่ใช่แค่ผีพันนันนะผีเล่าผีบุรีหรือผีกโกรธผีเกลียดนั้นก็คลองใจผู้คนมากพอเกิดอารมณ์ทีไรเนี่ยเหมือนก็ถูกสิงเลยนะ เรื่ององลงนะองลงองนี้เนะี่ยม่จะเป็นองค์แห่งความโกรธความเกลียดความเศร้ารวไมไปถึงความหงุดหงิดความวิตกกังวลบางคนนี่ก็เจ้าเจ้ากังวลเหลือเกินมีแต่ความกังวลเห็นแต่ความกังวลนึกงแต่เรื่องเล่ห์เล่ยชนี้ที่เราว่าถอนจากมาไม่ได้ อันนี้เพราะอะไรเพรปล่อยใจไปตามหน้าของอารมณ์เหล่านี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายมากลายกายมาเป็นนายเหนือเราใหม่ๆนี่ก็อาจจะรู้สึกว่ามารู้สึกตัวทีหลังนะหลังจากที่อารมณ์มันผ่านไปแล้วหลังจากที่วอยวายไปเรียบร้อยแล้วหรือหลังจากที่หมดเนื้อหมดตัวแบบการพนันเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้สนองความอยากแล้ว พอสนองความอยากเนี่ยนะอารมณ์มันก็จะบันเทาลงชั่วคราวอย่างเช่นคนที่โกรธแล้วด่าเนี่ยเรื่องได้สนองความโกรธมันก็จะพอดา่าเสร็จค่อยมารู้ตัวเพราะอารมณ์มันเบาบางลงนะหรือว่าอยากได้อยากเสพอยากเล่นเล่นการพ น, นันพอสนองความอยากไปแล้วความอยากมันเบาบางค่อยมารู้เนื้อรู้ตัววเราไม่ น, าน่าเลย บางคนก็ชอบซื้อของเจออะไรนี่เป็นต้องซื้อตอนนั้นหน้ามึดนะพอซื้อเสร็จอารมณ์มันเบาบางเราถึงค่อยมารู้ตัวนี่เราทำอะไรไปเนี่ยอกีกแล้วหรือเนี่ยไม่หมายจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ต่อไปนะมันจะไม่มันจะทำไปโดยไม่รู้ตัวและไม่มีโอกาสจะรู้ตัวเลยเพราะมันกลายเป็นนิสัยไปแนละ้ว บางคนอย่างเช่นพอคนแก่ตัวลงไปเนี่ยโอ้จู้จี้ีบ่นยังไงเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวลนะแล้วตัวเป็นคนจู้จี้ีบน่นทั้งที่บ่นอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนก็เจ้ากังวลวิตกกังวลอยู่เรื่อยไม่รู้ตัวแล้วคราวนี้หรือบางคนก็เป็นคนที่หวงทรัพย์เจออะไรเนี่ยก็เก็บสะสมอย่างเดียวเลยไม่ยอมให้ใครเอาออกไปนอกบ้านเนี่ยอันนี้เห็นมากคนแก่เนี่ย จนทั้งลูกหลานนี่กลุ้มใจเลยนะพ่อหรือแม่นี่เอาแต่เก็บเก็บเก็บเก็บก็บไม่ยอมที่จะปล่อยออกไปอันนี้เรียกว่าโดนผีเข้าสิงแล้วนะผีโลภะนะหรือผีตนิแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถอนตัวยากเลยนะเพราะว่ามันตกอยู่ในอำนายของอารมณ์พวกนี้แล้วหรือบางทีเนี่ย เวลาปกติอาจจะไม่มีอาการรุนแรงนะแต่พอเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไอ้ผีต่างๆที่เคยปนเปื้อนสนองตามหน้าของมั น, นมันก็จะเข้ามามีอานาจเหนือใจของเรามากจนให้ากลายเป็นคนละคนไปเลยอันนี้มันเจี๊เลยนะว่าคนรน้อนถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์บ่อยๆเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย สุดท้ายนี่มันเกาะกลุ่มใจจนกระทั่งเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่สามารถครองตนได้บางคนไม่ต้องรอให้แก่นะเพราะโดนอารมณ์เันครอบงำเช่นความซึมเศร้า น, นี่พอปล่อยใจไปตามความซึมความเศร้าอยู่ได้เรื่อยจนกะทั่งมันมีอำนาจมีกำลังถึงตอนนั้นเนี่ยแม่จะรู้ว่าปล่อยวางมันดีนะแต่ปล่อยไม่ได้ คนที่ชอบสะสมทรัพย์เนี่ยเก็บข้าวเก็บของเนี่ยบางทีก็รู้นะว่ามันน่าจะปล่อยนะมันปล่อยไม่ได้คนที่เจ้าอารมณ์เนี่ยรู้นะว่าโกรธไม่ดีเพราะมันร้อนรุ่มใจเหลือเกินแต่มันปล่อยไม่ได้อันนี้พออะไรพ่อไม่รู้จักปล่อยวางนะแต่ว่าเอาแต่ปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะก็ไม่คิดนะไม่นึกเลยนะที่จะ เรียนรู้การปล่อยการวางเพราะว่าปล่อยใจยไปตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเวลาถูกยั่วยุหรือว่ามีสิ่งเ ย, ย้ายวนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางอยู่เรื่อยๆนะปล่อยวางความที่ปล่อยวางอารมณ์ด้วยการมีสติรู้ทันด้วยการมีความรู้สึกตัวฝึกทักษะในการรู้สื่อเนี่ย มันก็จะลงเอยด้วยการปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วก็สุดท้ายอารมณ์ก็เข้ามาครอบงำจนกระทั่งมันกลายเป็นนายเหนือเราแล้วก็ไม่เป็นผู้เป็นคนต่อไปหรือพมอมาถึงเวลาที่แก่ตัวหรือเวลาที่สติอ่อนเพราะว่าความเจ็บความป่วยหรือเวลามีความสูญเสียเกิดขึ้นมีเวลามากระทบเกิดขึ้นสติอ่อนเมื่อไรนี่อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เข้ามาครองใจ แล้วยิ่งถ้าไม่คิดจะฝึกสติเลยนี่มันก็ไม่มีแรงต้านทานนะแลนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากผู้คนจานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าเขาเรียกว่าตกอยู่ภายใต้การครอบงำกำกับของอารมณ์ต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแม้จะทุกข์แต่ว่าก็ถอนใจจากจความทุกข์นั้นไม่ได้นะ